พระพุทธองค์เสด็จประทับที่กรุงราชคฤห์จากนั้นพวกศาสนาอื่นของเขาเขาก็หาวันเวลาแต่ละศาสนาอย่างพกกอทุกวันเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างเนี่ยแต่พทธศาสานาจะทำเอาวันไหนพระเจ้าปิมพิสารก็กราบทูลพระพุทธเจ้า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 เราได้ถอนผมประทานออกจากท่านชนะเพราะว่าท่านชนะยอมแล้วจะไม่ทําอีกในเรื่องที่ผ่านๆมาจากนั้นพระชนะก็เลยหยุดพูดจริงๆท่านก็ประกอบคุณงามความดีไม่นานท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์ทั้งที่นิสัยมักผลนิพพานเป็นพระหรหันต์ยังมีอยู่แต่ว่ากิเลสตัวนี้มันน่ากลัวจริงๆนะ น่ากลัวจริงๆทำให้เปลี่ยนแปลงได้ถ้าว่าไม่ใช่พระในกรั้งพุทธเจา้าองเจ้าก็ไม่รู้จะลงนรกหลุมไหนอีกเหมือนกันองที่องค์ดาพระสาวกตกนรกไปคหลายรุ่นเหมือนกันแต่ฉันน่ารู้สึกว่าท่านกลับตัวกลับใจได้ท่านกนน่ะเป็นพระที่ดีจากนั้นท่านก็ภาวนาท่านก็ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผล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 จากนั้นพรโมกคาราสาริบุตรกัสจปะอานน์มาพร้อมกันหมดพระมาหากัสจปะกโยทางหัวแถวพระสาริบุตรกโยทางกลางแถวพระอานน์อยู่เป็นช่วงๆส่วนพระโมกคาราเป็นผู้ไปหาของที่มันขาดเหลืออันไหนที่มันขาดเหลือท่านเป็นผู้มีเลสเนี่ย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 มันไม่ใช่ธรรมดานะคณะสัาาตยาธโยมลูกหลานพานเนรนะเอออันทําดีเขาก็ตําหนิทําไม่ดีเขาต่ถ้าอดอยากเขาก็ตําหนิโอ้ยทําไมพระอนุรุท ธ, ธะพระพุทธเจ้าพร้อมของพระสงฆ์มาฉันมาเยผ้าขนาดนี้เนอะอาหารก็ะเพอะมาหลอมมาแหลมเลยทาได้เนะาะทั้งที่ตัวเองก็มีสัตยาญาติโยมมากมายฮะ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 คนหนึ่งอยู่ที่นั่นคนหนึ่งอยู่ที่นี่บอกไปหากันต่างคนก็ต่างช่วยกันในการดูแลซึ่นกันต่างพึงพาอาศัยกันไม่ดีกว่าเหรอสิ่งเหล่านี้ขอฝากไว้กับพระลูกพราหมณ์พระทุกองผู้ที่จะรำงรงทสงศาสนาก็ต้องอาศัยพวกเหล่านั้นที่พวกเข้ามาใหม่เป็นทายาทของพวกเรา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 ถ้าหว่าออกนอกลู่นอ ก, ก, นอกทางไปแล้วมันกูไม่กลับเหมือนกันพอเดขอฝากไว้กับพระลูกพระหลานทุกองค์นะสรุปแล้วก็คื อ, อยานำแนวปฏิปทาของสายอื่นมาปฏิบัติในวัดของเราในวัดของหลวงพ่อในเมื่อมาอยู่กับหลวงพ่อต้องนำปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ม่นหลวงตา่ตวาแนะนำอย่างฟังอย่างที่หลวงพ่อแนะนา